บุญกุศลกับการไหว้การกราบไหว้พระพุทธรูปเป็นบุญใหญ่ได้อย่างไรการไหว้ด้วยจิตอันงามเป็นเหตุให้ใจสงบคนเราชอบความสงบใจแต่ไม่ชอบสร้างเหตุให้ใจสงบชอบให้คนอื่นแสดงความอ่อนโยนแต่ไม่ชอบทำตัวเองให้อ่อนโยนว่วอย่างอ่อนโยน ใจจะอ่อนโยนสลายทิฏฐิมานะอันกระด้างบรรเทาโทสะอันร้อนแรงระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านอันน่ารำคาญยิ่งมีโอกาสไหว้บ่อยเท่ากับยิ่งมีโอกาสสะสมความอ่อนโยนบ่อยคนเรามีการเป็นแดนเกิดเมื่อเกิดในประเทศที่มีธรรมเนียมการค้อมศรีรษะไหว้อันเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณ ที่มีเส้นทางกรรมอันสงบและอ่อนโยนก็แปลว่าต้องเคยอยู่ในกลุ่มจิตวิญญาณที่อ่อนน้อมบนเส้นทางกรรมของผู้ให้ความเคารพมาก่อนแต่การไหวเป็นสิ่งที่ฝืนทิฏฐิมานะเมื่อต้องไหวก่อนทั้งที่ไม่นับถือกันคุณจะรู้สึกถึงความไม่อยากเปลืองมือหรือกระทั่งจิตแข็งกระด้างด้วยโทสะแม้กระทั่งไหวพระปฏิมา อันเป็นสื่อสั ญ, ญลักษณ์ของบุคคลผู้น่าเคารพสูงสุดเป็นเครื่องฝึกใจให้เข้าสู่วิถีความนอบน้อมสุดใจลงทุนน้อยได้บุญมากแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะฝึกกันบางคนไม่เข้าใจถึงกำมองเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่ากับการทำท่ากราบไหว้สิ่งร้ายชีวิตไม่เห็นว่าพระปฏิมาเป็นชนวนให้จิตประวัติถึงพระคุณแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงเกิดความรู้สึกรีบร้อนอยากไหว้ให้จบๆไหว้ลุกลวกเรรงๆฝืนๆแบบขอไปทีกลายเป็นเหตุใหญ่ให้ใจไม่สงบไม่อ่อนโยนหรือกระทั่งกราวกระด้างใจร้อนฟุ้งซ่านง่ายการไหว้พระเป็นบุญใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กทำบุญใหญ่ด้วยอาการทางใจอย่างไรการปรุงแต่งจิตก็เกิดขึ้นอย่างนั้น เมื่อค้อมศีรษะด้วยจิตอันงามมงคลอันงามย่อมปรากฏอยู่เหนือศีรษะฐานความคิดอันเป็นกุศลย่อมปรากฏอยู่ในศีรษะแต่เมื่อก้มกราบลุกลวกกับสิ่งที่เป็นมหามงคลอั ป, ปมงคลย่อมปรากฏครอบศีรษะฐานความคิดอันเป็นอกุศลย่อมปรากฏอยู่ในศีรษะรู้สึกได้เฉพาะตนด้วยใจ